พระอนุบัญญติ30 1. อนหนึ่งหนึ่งภิกษุใดทาหน้าที่ชักสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีเพื่อให้เป็นพัญญาหรือเป็นชู้รักโดยที่สุดแม้เพื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวเป็นสังคาธิเศษเรื่องนักเลงหญิงจบ